Ato-sama-sambu-tatsa-poo-cha-ja-poo-chaniyanang-etamang-kalamuttamantit Imatsa-thamma-pariyayatsa-atho-sathayatamantit pariyayatsa atho sathayatamantit sakajang thammo นิมนต์พระมาแสดงธรรมท่านอยู่ไกลไม่ได้มา พวกเราทํากันมาทุกปีทุก ที่เราได้เสียสละ ในบวรพุทธศาสนาให้ทานบ้างฟังธรรมบ้างรักษาศีลบูชาครูบาอาจารย์ด้วยการมาได้ยินได้ฟัง คือให้ยังนั้นยังไงไม่รู้ว่าฟามโลภฟามโกรธฟามหลงนี่จะมีอยู่ขนาด คุณฟ้าสิ่งที่มันมีอยู่ในกายคตาสติสอนให้ดูกายดูจิตดูธรรมภาวนาเพ่งกายเพ่งจิตเพ่งธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ ไม่มีการกําหนดว่าจะขอร้องได้หรือจะบรรบาน 4 เกิด รู้ตามความเป็นจริงชนิดนี้แล้วไม่หวั่นไหวไม่สงสัยไม่โลภมากไม่อยากได้อะไร ให้เห็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้แหละเรียกว่าเรามาปฏิบัติบูชาการบูชา พวกเราก็จะมีแต่ความลด คำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเด็ดขาดคือว่าเราได้หลักแห่งการมีสติอยู่ในกายภาวนาลมหาย ลมกายคตาสติออกทุกข์ขมขนไม่ต้องหายใจทาง เมื่อมันไม่ออกมันไปอยู่ที่ไหนมันก็ไปอยู่ในกายเราเมื่อมันอยู่ในกายเราเราอารมณ์ ถ้าได้ภาพหนาๆก็กรองละเอียดถ้าได้ภาพหยาบตัวอยากออกซะหมด นั่งกลัวเจ็บกลัวตายมันปวดมันเมื่อยนี่มันเป็นของธรรมดาแล้ว เหล็กที่เผาแล้วมาตีแล้วก็เรียกว่าเหล็กขี้ทั่งเหล็กขี้ทั่งเผาเท่าไหร่ไม่รู้จักตีไม่ยืดไม่เดินไม่ออกไม่เหมือน เผาให้กิเลสเหล่าร้อนอย่างนี้แหละเมื่อทําไปทุกวี่ทุกวันจนกิเลสเหล่านั้นมันลดน้อยถอยลงไม่มีไฟราคะโทสะเข้าครอบงําแล้วจิตใจของเราก็ ให้กิเลสเล่าร้อนให้กิเลสเลดเกิดแห้งไม่มีอะไรนอกเหนือไป ทีนี้เราฝึกเผาหัดปฏิบัติกันถึงขั้นมันเป็นอย่าง เมื่อมันไม่เห็นของเที่ยงแล้วมันไม่เห็นของเที่ยงแล้วก็ทําไปเรื่อยๆจิตใจก็มีพลังสมาธิพลัง คือมีสติอยู่ทุกอริยบทยืนก็มีนั่งแล้วจะทําจะพูดจะคิดจะพิจารณาอะไรจิตใจมีโลภโกรธหลงหรือไม่ก็มีสติเห็น มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกำเนิดสัตว์ทั้งหลายทุกรูปทุกนามทุก มีกรรมเป็นที่ปึ้งอาศัยทําบุญก็ตามบาปก็ตามจะได้รับผลบุญบาปนั้นนี่แหละใครจะทําให้เดาได้ทําเอา บางคนๆเอาไปทําไมก็เค้าอยากได้ก็ให้เค้าสาธุมาเรามาทานเรามาทานแล้ว เรเรเราก็ได้บุญหลายต่อนะไม่ใช่ได้บุญต่อเดียวนะได้บุญทุก คิดว่าเป็นบุญก็ตั้งใจทําบุญยังมาบวชมาสวดมนต์ มันได้เต็มหัวใจแล้วมโนปุพังคมาตมะมโนเสถามโนมยาธรรมทั้งหลายมีใจถึงฝ่อสําเร็จแล้วที่ใจ มันเรามาเพราะอะไรแต่ความโลลีของเราซั่นสิเรามาเพราะอะไรรู้ ไหว้พระสวดมนต์อบรมจิตใจเนี่ยมันอยู่ที่ใครใครจะเป็นผู้แนะผู้นำผู้พามีมั้ยถ้าเราไม่เอาใครจะบังคับผูกขันตายเปล่าตายเปล่าถ้าเราไม่เอาก็ เราจะเห็นว่าที่ใดก็ตามมีความเจริญก็มีความๆมัน เราต้องเสียสละทุกวันเวลาโอกาสอันเหมาะแก่จริตนิสัย ละเอาแต่คุณงามความดีด้วยฐานศีลภาวนาอย่างเดียวฐานศีลภาวนาอย่างเดียวไม่ พอจนนั้นค้นคว้าสืบสรรค้นหาจริงๆเมื่อตอนใกล้จะตายน่ะมันคอย ฝึกคอยหัดบ้างได้แล้วไม่เชื่อเลยว่าจะได้รับความสุขนี่แหละ จิตเตสังขลิทเทสุคติปาติกังขาจิตเตอสังขลิเททุกขติปาติกังขาจิตเมื่อไปยึดอะไรล่ะยึดทุกข์ไปที่ต่ํายึดสุข ตัวนี้พาไปไปที่ต่ําถ้าจิตมีความสุขสุขังสุปปติหลับตื่น น่ะลองคนคิดดิจิตออกจากร่างแล้วจะเอาอะไรมาทุกข์มันทุกข์อยู่มันทุกข์ตรงมีแข้งทุกข์แข้งมีขาทุกข์ขามี สังขารร่างกายของเราเนี่ยเหมือนเรือนจิตใจของบนบ้านถ้าตรงนี้พังปุ๊บมุ่นพังตัวเราท่านจึงบอกว่าเวียนว่ายตายเกิดฟังครูบา แล้วเราก็ปฤติปฤติบัติก็เอาให้ถึงขั้นอย่างนี้ให้รู้แจ้งเข้าใจอย่างนี้ กินกับแกงอะไรกับแกงอะไรก็กินไปก็กินไปเดี๋ยวก็อิ่มมั้ยเมื่ออิ่มแล้วเป็นไงสบายการทําสมาธิภาวนา เมื่ออิ่มแล้วก็ไม่บอกใครไม่ได้แล้วมันก็สบายอิ่มแล้วก็สบายเนี่ยอย่างงั้นเมื่อถึงเวลาจะกินข้าวอ้าวแล้วก็กินอีกได้ดูอาหารอีกได้ก็กินอิ่มสบายเมื่อหลักภาวนาก็เหมือนกันเมื่อเรานั่งลงปั๊บหรือจะยืนจะเดินจะ ตื่นแล้วก็รู้การตื่นเอ๊ะตื่นอยู่ในอริยบทใดอริยบทนอนที่เรานอนตอนเรานอนมันเป็นอย่างนี้เมื่อเราตื่นมา เมื่อเห็นกายตอนที่เราตื่นจากนอนน่ะมันหลับมันเมื่อยมันปวดมันหายหมดแล้วตื่นจากนอนขึ้นมาก็ จากคนกายคนจิตคนธรรมคนดูกายดูจิตดู จะไปถามหาที่ไหนมรรคผลนิพพานสวรรค์ไม่ต้องไปถามหาที่ไหนเกิดขึ้นที่กายที่จิต รู้ความเข้าใจถูกต้องตีงามแล้วก็มาปกปักรักษาอะไรเลยมันก็มีอยู่ในตัวมันว่า การไม่ไม่ผิดผัวผิดเมียร์มุษาไม่ได้ขาวทุาราไม่ได้ กินเคissible กรอมผ้องเมา วิการไม่กินของ°เย้ คุณการเวลาอะไรเลยชิ้นบรีบูนคือ ความสกปรกแล้วนี่เป็นอย่างนั้นวิเคราะห์ให้ละเอียดก็เป็นอย่างนั้นรับไม่เพราะอะไรเพราะทําเป็นประเพณีอย่างอย่าง ให้คุณละบุตรคุณอติดาที่เข้ามาใหม่จะได้เห็นพิธีกรรมพิธีกาลถ้าละเลยปล่อยวาง ถ้าไม่มีเปลือกก็ไม่มีแก่นไม่มีเปลือกก็ไม่มีแก่นไม่มีกะปี้ก็ไม่มีเนี่ยเนี่ยระหว่างนั้นอื้อมันก็ถูกทุกอย่างมัน ภาประพฤติปฏิบัติจะได้ไหมจนปรับเต่าทุกวันนี้ถ้าลดละเลิกเว้นซะจะว่า สองเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเห็นพิธีๆแล้วมันจะได้ที่ไหนแล้วจะ อยู่ก็พระผู้ใหญ่มานานกับพระผู้ชัดเจนมานานคุยกันจนรู้จริงๆที่มาสวดมาเสกทุก เทวาทําไมตั้งเป็นนายอําเภอก็เป็นไม่ได้ต้องมีใบกราบตั้งสวดให้เป็นนายอําเภอสวดให้หัวนุ่งเหลืองเลยเป็นได้มั้ย ไม่ได้สวดไม่เป็นแล้วโบสเนี่ยถ้าทําเสร็จแล้วไม่ผูกปัทติสีมาสําเร็จมั้ยไม่ได้วิสีมาวิบัติต้องสวดซะก่อนสมมุติ อืมเมื่อรับสินแล้วนับสินจะขาดหรือไม่ขาด ถ้าว่ารับแล้วต้องรู้ด้วยนะว่าตรงนี้ต้องระวังระวังเรื่อยไประวังเรื่อยไปทุกอย่างต้องระวัง มีเรียบร้อยแล้วทุกอย่างแล้วพร้อมแล้วเรียบร้อยแล้วทุกอย่างแล้วความสุขก็เกิดขึ้นมาสบายมั้ยเหมือนกับบ้านเรือนช่องทุกอย่างเรา เทว่าทําบ่อยๆทําไม่มากเจอนี่มากเพียรนี่มากแล้วเป็นยังๆเพราะอะไรเพราะเรารู้วัน จะทุกข์มั้ยก็ไม่ทุกข์ทําไม่ได้ทุกข์มั้ยอ้าวธรรมดาถ้าคนมีหิริโอตตปะก็อยากอาอยู่แล้วเนาะไปสวดบ้านเค้าเออไปกับเค้าแล้วไม่สวด เออแล้วมันจะทําให้ฟุ๊ดขนาดดีๆอันนี้ต้อง จิตมันสงบแล้วก็ค้นคิดพิจารณากิณกายยกตาสติกรรมฐานะอาลัยละถ้า ปัญญาพลังพลังปัญญานี่ปัญญามากก็ไม่ได้สมาธิไม่ตรงจุดมันไม่ตรงจุดมันไปด้วยกันไม่ได้กันโปกันนะให้เท่า สมาธิมากมันลงไปเฉยๆเงียบไปเลยถ้าปัญญามากเป็นไงฟุ้งซ่านรำคาญกระโดดโลด เรียกว่าโทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อ เสฉลิดเอาอย่างนั้นอยากออกไปภายนอกเห็นภายนอกนั้นฟุ้งซ่านเสฉลิดนิมิตหลอกลวง เหมือนเราจะตั้งใจฟังก็ไม่ได้ยินเมื่อไม่ตั้งใจฟังได้ยินอย่างนี้ก็ ความไม่แน่นอนคือไม่มีสมาธินั่นเอง เป็นอุดมมงคลที่เกิดขึ้นที่กายที่จิตของเราจริงเรากันก็ไม่ได้จะ <c oughs> 100 อย่าง 1,000 อย่างก็ตามแต่คนเราจะบอกเขามาทําเพราะศรัทธาใครศรัทธามันเริ่มใสใครเริ่มใสมัน แล้วก็มีความสุขกายสบายจิตคนอื่นมันเขาไม่บูชาเราจะไปบังคับเขามาบูชาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามาบูชาคนเดียวๆไป จนกว่าชีวิตของเราจะหาใหม่จะไปอยู่ณสถานที่ <c oughs> ให้ทานรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมตามที่เรามีความพอทําได้ไม่อยากเหลือวิสัย <c oughs> คืออานาปานสตินั่นเองแหละเกียจได้ไม่เสียที่ที่เราเข้ามาอยู่ใกล้หลวงปู่ลีหลวงปู่ภาวนาสมมาอรหังต้องได้หนอพองหนอต้องได้มั้ยต้องได้แต่เราไม่ท่องเรารู้เราดูเรา การเดินก็อย่างหนอเหยียบหนอยกหนอเห็นหนอดูหนอได้มั้ยได้แต่เราไม่ก็ได้อย่างนั้นน่ะดีมั้ยดีอย่าไปว่า รู้การเวลาโอกาสดีหมดถ้าไม่รู้การไม่รู้เวลาของดีก็ไม่ใช่ของดีๆนั่นต้อง โอกาสโอกาส ga SMB ap yam ภึกหัดใ uma ย่あ b'roi ประละเลยหวันเดินปีผ่านไปชีวิตของเราเลี่ยกค้างไม่ได้ด้วยๆนะผ่านแล้วผ่านเลยไปแล้วไปเลย Oh k งามความดีรีบเร่งเพลงทำเร็อดีถ้าไม่รีบ令เปรีเชงทำให้กิ fluor มันเขา replace งามแล้ว ẫอ ชั่วๆๆๆๆเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าทิฏฐิจิตติเนี่ยมันตัวสําคัญอืมอยากมาอะไรก็ไม่อยากอะไรก็ไม่อยากเท่าถอนถอนมนะละอะไรก็ไม่อยากพลละกิเลสละกิเลสๆ ทำไมถึงละละอยากเพราะมันมันมันมันฝังไว้ ไอ้วิเคราะห์เค้าจะให้ก็ให้แต่ๆไปเลยทีนี้ของไม่ดีๆเอาง่ายดีๆๆๆนั่นมันยากจริงๆนี่เลยถึงว่ามันยากแต่มันก็ไม่เหลือผู้ที่ฝึกที่ที่ประพฤติปฏิบัติถ้าอยาก จะว่าง่ายก็ก็ไม่เชิงจะว่ายากก็ไม่ มันเกิดของมันเองแล้วจะเห็นว่าคนเนี้ยเค้ามี มันชินะสาวสนะเคยสั่งสมอบรมมาเป็นแบบนั้นทั้งทั้งพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระอรหันต์ไปเนี่ยเห็นคลองน้ําธรรมดาบางองค์เค้าก็เดินในน้ําค่อยเดินมาแต่บางองค์ไม่อย่างนั้นน้ําแค่นี้กระโดดข้ามชึอ่าคลองแค่นี้ก็ต้อง ท่านไม่ยึดไม่ติดอะไรทั้งหมดท่านเป็นอรหันต์เป็นเป็นเพราะอะไรเพราะรู้เท่า อะไรหมดทุกอย่างไม่มีติดในหัวใจเพียงแต่เพียงผู้รู้เออจะไปบอกว่า <c oughs> เมื่อเราจะมองเห็นว่ามะม่วงต้นนึงเนี่ยมีดอกเยอะใช่ป่ะก่อนจะติดลูกมันมีดอกแล้วก็มีกําลังลูกอ่อนลูกอ่อนแล้วก็ เหมือนพระที่เรามาบวชๆเลยนะแต่ว่าจะอยู่ปีละๆกว่าองค์เหเหอง 2 องค์ 3 องค์ 4 องค์ 5 องค์เนี่ยอยู่ยากหล่นไปหมดเรียกว่าหล่นไป หัวแถวได้อย่างนี้ใช้เวลาเท่าไหร่อย่างน้อย <c oughs> 20 ปี 20 ปีขึ้นถ้าคนไม่มีความพากเพียรเป็นไง 20 ในหัวใจมันเป็นนาโกรธบ้างอืมก็ได้ละได้ยศได้สรรเสริญเอาไปทําไมเอาไปทําไมอยู่ ท่านพาประพฤติปฏิบัติกันมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วถึง ก็ไม่ทางศูนย์ทางเจริญมีแต่ทางเสื่อมทางศูนย์น่ะ <c oughs> อันนี้ที่เราตั้งใจมาบูชาเรื่องอย่างประเพณีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ แล้วก็มันจะเรียกร้องว่าจะต้องเอาคนอย่างงั้นคนอย่างนี้คนอย่างงูมันได้ของมันเองมันเกิดมางมันเองดี <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจึงเชื่อบุญกิริยากรรมเชื่อการกระทำแห่งคุณงามภาวนาก็ต้องรู้ว่าภาวนาสวด <C oughs> จะจับต้นชนปลายได้เลยก็ไม่ได้ชั้นใด ที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งแล้วจงสําเร็จด้วยอานุภาพแห่งคุณพระพุทธเพื่อจงปกปักรักษาพุทธบริษัตรที่ให้ฐานรักษาศีลฟังธรรมในวัดอโศการามนี้กับผมเองหรือคณะกรรมการทุกคนอยู่ในวัดนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ขออนุโมทนาด้วยคุณประพฤติเพื่อตําประสงค์ที่ท่านประพฤติดีด้วยกายด้วยวาจาและด้วย ให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญ